มัดนี้เราเคยได้ยินกันมาอย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้ที่ ว, ว่าพระพุทธเจ้าด่าพระวักกลิกให้พระวักกลิกหนีพระวักกลิกก็ไม่เข้าใจหนีไปหนีไปไม่ใด้หนีไม่ใช่เดินไปบอกกลาวหนีจากข่มเชิดแต่หนีไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ทุกต้องกําหนดรู้เนี่ย ลำพูไทยต้องละมักต้องเจริญนี่โรดทำให้แจ้งอันนี้เราพูดกันติดศกติดปากมานานแล้วแต่ไม่เข้าใจทุกกาหนดรู้อย่างไรก็พลิกมือขึ้นให้มันรู้อันนี้มันทำได้มันเคลื่อนไหวไปมามันรู้มันทำได้เส้นอ้มลงเงยขึ้นมันทาได้พลิกมือขึ้นก้มมือลงมันทำได้อันนี้คนอื่นมองเห็นนี่บัด น, นี้มันคิปพูขึ้นมา เราไม่มียานปัญญาหรือควมสัญญาเรายังไม่แข็งแรงหรือปัญญาเรายังไม่แหลมคมมันก็เข้าไปในความคิดมันก็รู้เรื่องนั้นเลยไมแต่บัดนี้พอดีเรามาทำควมเคลื่อนไหวมีจังหวะพลิกมือขึ้นรู้สึกเมื่อมันคิดขึ้นมาเรามาอยู่ความรู้สึกตัวนี้ความคิดมันก็หยุดไปมันก็หายไปเองมันก็หายไปจืดไปจางไป มันคิดเรื่องหน้าขึ้นมาแล้วก็มายุ่งกับควมเคลื่อนไหวเหล่านี้เองอันนี้เนี่ยทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยคือตัวทุกต้องละมันละได้จริงๆมักต้องเจริญมักต้องเจริญหน่อยเจริญก็ทำบ่อยๆทำมากๆนี่โลดทำให้แจ้งหน่อยเพราะทำถูกจุดเพราะทำถูกจุดกันรู้แจ้งเห็นจริงคนที่เคยนั่งสงบบอกให้เพิกมือขึ้น ยกมือไปให้มีความรู้สึกคนเคยทำกรรมฐานไม่ชอบนั่งสงบจิตสงบใจอยู่อย่างนั้นเลยมันก็ดีความรู้สึกนี่แหละมันจะทำให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นทำให้ปัญญาลอกรู้รู้สึกมากขึ้นทิศมือก็รู้ิ้อมือก็รู้เอียงซ้ายก็รู้เอียงขวาก็รู้ก้มก็รู้ เงยก็รู้พิษตาก็รู้ตาเลือดซ้ายแลหัวกว็รู้กืนน้ําหลายเข้าไปในลำคอวกว็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกกอรู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้นี่จังหวะไม่ต้องนั่งเหียบเหียบตาเป็นหน้าที่ของดูหูเป็นหน้าที่ของฟังดังเป็นหน้าที่ของดมเหม็นหอมกายของเราเป็นหน้าที่โทุกสัมผัส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 ลูกของผมคิดคือเวทนาสัญญาสังขารเวีย ญ, ญาตมันไม่มีลูกย่อ น, นามรูปมันคิดขึ้นมามันเป็นอย่างไงดังนั้นเมื่อตัวของผมปฏิบัติผมรู้อย่างนี้ตัวหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อรู้อย่างนี้ที่ว่าไม่เสื้อไขใครจะพูดอย่างไงก็ตามเราต้องเสื้ออุดมการณ์ของเราเพราะเราได้ฝึกหัดอบรมมาดีแล้วนี่แหละ มันเหนือทุกเหนือสุขเหนือบาปเหนือบุญได้จริงๆเรื่องนี้ตอนที่จะตัดสินใจได้ว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาทำความรู้สึกเดินกลับไปกลับมาตอนเสาตอนเ้าเดินกลับไปกลับมามันคิดก็รู้มันเคลื่อนไหวโดยวิธีเด็ดก็รู้ ดูแค่แค่นั้นเองเอาแต่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเองมันนึกมันคิดอะไรก่อนรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เรียกว่าเอาชนะได้นี่นี่แหละรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้พอดีเดินกลับไปจะมาค่ายคยคือเราทอดเสื้อนี่ทอดของในตัวเราเออกหมดแล้วก็เบากายเบาใจ มันเป็นขนาดเดียวกันนะนี่พูดให้ฟังแต่ความเร็วของมันขาดออกไปช่วงออกไปเลยแต่ไม่ใช่เป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเห็นตัวของตัวเองมันขาดออกจากกันมันไม่ใช่ขาดคือเสื้อเลยน่ะคือธรรมชาตมันขาดออกมันติดต่อกันไม่ได้จึงเปรียบว่าเอาเสื้อไหมลอนก็ตามผูกไว้สรงนั้นเลยตัดตรงกลางดึงเข้าหากันไม่ไม่ถึงจึงว่ามันไม่ถึงกับการไปก็ไม่มี การมาก็ไม่มีมันเข้าสู่สภาพของมันรูปนี้มันก็เข้าสู่สภาพของมันแล้วใจนึกใจคิดมันก็เข้าสู่สภาพของมันแล้วอันนี้แหละที่ในตำลักตาลาผู้บังถึงที่สุดแล้วญาญย่อมมีถึงที่สุดแล้วญาญย่อมมีเพราะสัญญาความหมายรู้และจําได้หานวิปัตนาเข้าไปรู้ ปัญญาเข้าไปลอบลุบมันทั้งสามอันนี้มันเดี่ยวเท่านั้นเองเรื่องนี้จึงไม่ต้องถามใครเรื่องนี้ไม่ต้องถามใครเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีอยู่ในคนพุกคนเมื่อเรายังไม่พบไม่เห็นในขณะนี้จวนจะหมดลมหายใจต้องแน่นอนที่สุดทุกคนต้องประสบเรื่องนี้อันนี้ท่านว่า มืดมาสว่างไปมืดมาสว่างไปแกก่อนเราไม่รู้บัดนี้เรารู้แล้วจะไปไหนมาไหนทําการคิดคิดเราก็สว่างแล้วทันวันบัดนี้มืดมามืดไปไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่สนใจจนตายเนาเข้าลงพอมืดไปสว่างมาสว่างไปเลยเกิดมา ไม่เคยทำคุณชั่วเคยทำแต่คุณดีทอ ง, งานแล้วก็จเจริญวิปัสสนารู้แจ้งเหตุจริงเรียว่าจิตใจไม่สศรมองสว่างไปไเห็นแจ้งรู้จริงนี่เองนเนอันนี้สว่างมามืดไปไม่ น, นิ่เกิดในตระกูลอันดีเพราะแม่เคยฝึกเคยสอนเคยให้สอนให้ทานให้รักษาจิล ให้มีจิตใจของใสแต่ไม่เคยจเจริญวิปัสนาแต่ก็ต้องตายทนว่าสว่างมามืดไปเพราะไม่รู้ไม่เห็นแจ้งไม่รู้จริงนั่นเองเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วครูบาอาจารย์สอนมาว่าคนเกิดมาร้อยปีถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นสภาพดุภาวะอาการเกิดดับ ของชีวิตหรือของจิตของใจของรูปนี้ชีวิตของคนนั้นไม่มีค่าไม่มีราคาเรียกว่าชีวิตเป็นหมันว่าอย่างนี้ก็ได้คนเกิดมาเพียงวันเดียวรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจีนทราบซึง้งอยู่กับสิ่งนั้นชีวิตคนนั้นประเสริฐยิ่ง ปะเสยยิ่งกว่าบุคคลผู้ที่มีอายุเป็นอยู่ร้อยปีเกิดมาเพียงวันเดียวนะแล้วมันจ็ดพิกเข็มตีงโตได้ทําไมคนเกิดมาเพีวันเดอเราฟังธรรมะคําสอนของผู้รู้เกิดทราบซึ้งเข้าใจอันนั้นเดี๋ยเกิดมาเพียงวันเดียวเกิดรู้เกิดเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติเนี่ยทันวันมืดมาสว่างไปเพพราะเข้าใจนั่นเองบัดนี้ เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามบวชมาร้อยพันษาถ้าหากไม่หูไม่เห็นไม่เข้าใจสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับของรูปของจิตของใจนี้การบวชของคุณนั้นก็เป็นหมันท่านวันนีน้ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเลยท่านวันนี้บัดนี้บุคคลที่บวชเข้ามาเพียงวันเดียวหรือเอาไมโคน ใด้ผมตัดผมไปคาดออกไปเลยเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องอาการเกิดดับของรูปเข้าสู่สภาพของรูปใจเข้าสู่สภาพของใจชีวิตของบุคคล น, นี่เนี่ยดีกว่าประเสริฐกว่าบุคคลผู้ที่บวชมารอยพันสามทันใอย่างนั้นอันนี้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ปูย่ย่าตายายเคยเล่าสู่ฟังก็จําได้เรื่องอย่างนี้ ดังนั้นการทำพูดคิดจึงต้องศึกษาจริงๆจึงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจจริงๆแต่ทุกคนหนีไม่พ้นเรื่องคมตายเกิดมาคนหนึ่งตายคนหนึ่งเกิดมาสองคนตายสองคนคนทุกกนตายคนรวยก็ตายคนเรียนหนังสือมากๆก็ตายคนไม่ได้เรียนหนังสือก็ตายความตายนั้นจึงแน่นอนที่สุดจึงไม่ต้องกลัวตาย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 เสียงปากเสียงพูดก็ไม่พะเพราะมันคาดออกจากกันแล้วยางมันหลุดยางมันแห้งท่านทั้งหลายถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคืออะไรอาตมามีควมเห็นควมรู้ผมเข้าใจว่าชีวิตคือความเป็นอยู่อยากเป็นอยู่อย่างไรก็คือชีวิตนั่นเองข้อที่หนึ่งข้อที่สองชีวิตมีทุกข์และชีวิต ที่ไม่มีคุกมีความหมายต่างกันอย่างไรชีวิตมีทุกข์กับที่ไม่มีคุกต่างกันมากชีวิตมีทุกข์ก็คือหนักกกหนักใจมือดอยู่ในอกในใจไม่มีความสว่างเลยใครพูดอะไรอยากไปถามอยากเข้าใจในคําพูดอันนั้นการถามเนี่ยจะถามเท่าไหร่ก็ไม่มีความสว่างทางทจิตใจเลย การรู้จากตำรับตำลาจดจำมานั้นก็ไม่มีความสว่างทางจิตใจเลยเป็นอย่างไรที่ว่าชีวิตมีความทุกข์ชีวิต ท, ที่ไม่มีความทุกข์นั้นไม่ถามใครฟอสว่างเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปศึกษาตำรับตำราก็สว่างเพราะรู้จักตัวเองที่ว่าไม่มีทุกข์ชีวิตจึงไม่มีทุกข์ไม่สงสัยทุกแง่ทุกหมุม แต่ว่าสงสัยอย่างที่เราไม่รู้อาจจะสงสัยเรื่องชีวิตของตัวเองไม่สงสัยเป็นอย่างไรอาตมาสามความเป็นธาตุและความเป็นไทยนั้นเป็นธาตุของอะไรและเป็นไทยจากอะไรด้วยวิธีใดเป็นธาตุก็หมายถึงเป็นธาตุของโทสะเป็นธาตุของโมหะ เป็นธาตุของโลภะเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของตัณหาจึงว่าเป็นกรรมกิเลสตัณหาอุปทานกรรมเนี่ยเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นอันใดแล้วก็เป็นกรรมสนิทนั้นเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้เป็นไทรบุรีคือความพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้พ้นไปจากโทสะพ้นไปจากโมหะพ้นไปจากโลภะพ้นไปจาก ขอมิตรสาริสัญญาเดียเดเบียนเรียว่าพ้นไปจากกิเลสพ้นไปจากตัณหาพ้นไปจากอุปาทานกรมเหล่านั้นเพราะการกระทํารู้สึกตัวเองนี่เองที่ว่าขอมเป็นไทยแท้หมายถึงไม่ได้เป็นาธาตุของไข่แต่ไม่ใช่เป็นาธาตุของคนนะที่ตัวหลวงพ่อพูดนี้คือเป็นาธาตุของขอมหลวงพิษนั่นเองบัด น, นี้พ่อเทศี 4, ตอนเกิดมาก็ไม่มีทุกและที่สุดก็ต้องตายดังนั้นจะต้องปฏิบัติธรรมมาไปทําใหม่ส่วนการฆ่าตัวตายเสียให้หมดไม่ง่ายกวเลยอันโคมคิดอันนี้ก็เช่นเดียบกันนะี่ยอันโคมตายนั่นเนี่ยเราจะดํามืดหรือเราจะอยู่ด้วยสวะไม่ได่ตายแล้วจะมีสุข ตายแล้วจะมีทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราจะอยู่ ด, ด้วยความมืดหรือจะอยู่ด้วยความสว่างนี่เองถ้าเราอยู่ด้วยความมืดก็แสดงว่าไม่มีราคาในชีวิตของเราถ้าเราอยู่ด้วยความสว่างชีวิตของเราก็จะมีค่ามีราคามากขึ้นในนั้น